6. ที่ตุสูตรว่าด้วยพระธิดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนที่โกรศนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้ว กราบทูลณที่ใกล้ประกันของพระเจ้าเปเสนทิโคสนว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทพระนางมลิกาเทวีประสูตรพระธิดาแล้วเมื่อราชบุรุษกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าเะเสนทิโคศนก็ไม่ทรงเบิกบานพระไทยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าเปเสนทิโคศลไม่ทรงเบิกบานพระไทย จึงได้ยตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่ามหาบาพิษผู้เป็นใหญ่ขวัวปวงชนแท้จริงแม่หญิงบางคนก็ยังดีกว่าขอพระองค์จงชุบเลี้ยงไว้เถิดหญิงผู้มีปัญญามีศีลบำรุงแม่ผัวพ่อผัวดุจเทวดาจงรักภักดีต่อสามียังมีอยู่บุรุษที่เกิดจากหญิงนั้นย่อมแกล้วกล้ า, เ, ลาเป็นใหญ่ในทิศได้ บุตรของภัญญาดีเช่นนั้นต้องครองราชสมบัติได้ที่ตุสูตรที่หกจบเจปฐมปมาอปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่หนึ่ง เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระเจ้าเพเสนทิโกสนประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้ามีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิต ทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภายหน้ามีอยู่พระเจ้าปเสนทโกสนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภายหน้าคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิษ ทำอย่างหนึ่งที่ยืดประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าไว้ได้คือความไม่ประมาท ร, รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างบัณฑิตกล่าวว่ารอยเท้าช้างเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่ชันใดมหาบพิษ ถำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าคือความไม่ประมาทก็อฉันนั้นพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ตอไปอีกว่าบุคคลเมื่อปรารถนาอายุความไม่มีโรควันนะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความยินดีอย่างโอฬารต่อๆไป พึงทำความไม่ประมาทบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสันเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองที่ระชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าปฐมมอัปปมาทสูตรที่เจจบ แทุติยะอปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีพระเจ้าระเสนที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วเรียกราบทูนพระผู้มีประภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคิดคำนึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดอย่างนี้ว่า ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั่นแลเป็นธรรมสำหรับผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีไม่ใช่สำหรับผู้มีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นธรรมที่อาตมาภาพกล่าวไว้ดีแล้วนั่นแล เป็นธรรมสำหรับผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีไม่ใช่สำหรับผู้มีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวมหาบาพิษครั้งหนึ่งอัตามาภาพอยู่ที่นิคมของหมู่เจ้าสักยะชื่อว่านครกะในแคว้นสักกะครั้งนั้นภิกษุอานน์เข้าไปหาอัตามาภาพถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กล่าวกับอาตมภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งอาตมภาพกล่าวว่าอยากล่าวอย่างนั้นอา n ์อยากล่าวอย่างนั้นอาน o นนน์ที่จริงความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวอานน์ ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรตมีองค์8ทำอริยมรตมีองค์8ดให้มากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมรตมีองค์8ทำอริยมรตมีองค์8ดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง จเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก ค, ความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในโวสัก ข, ขะความสละ 2. จะเจริญสัมมาสังกัปปะ 3. จะเจริญสัมมาวาจา 4. จเจริญสัมมารกรรมมันตะ 5. จะเจริญสัมมาอาชีวะ 6. จะเจริญสัมมาวายามะ เจเจริญสัมมาสติแปเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมากมีองค์แปดทำอริยามากมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แหลอันหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้ด้วยว่าเราจัดผู้มีชาติความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญ ทุกความทุกกายโทมนัตความทุกใจและอุปายาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปายาตเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตรีอานน์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แหล เพราะเหตุนั้นแหละมหาปพิธพระองค์พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพระองค์ผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงอาศัยธรรมอย่างหนึ่งนี้คือความไม่ประมาทในครูสนธรรมทั้งหลายอยู่เถิดมหาปพิธเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่นางสนมผู้ตามเสด็จ จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิดแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่มหาปพิธเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ตามเสด็จจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาท อาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิดแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่มหาปพิธเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้กองทัพก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยいいู่เอาเถิดแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่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 แม้พระองค์เองก็จะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วแม้ท้องพระคลังก็จะเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคสาศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า <c oughs> เมื่อปราถนาโภคะยิ่งยิ่งขึ้นไปบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญ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 เก้าพระธมมอปุตตะสูตรว่าด้วยซับที่ไม่มีบุตรสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนที่โกศสนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าปเปเสนที่โกศสนดังนี้ว่า เชิญเถิดมหาปพิธพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้าประสิที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้ถึงแก่กรรมแล้วข้าพระองค์ให้ขนทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรนั้นมาไว้ในพระราชวังแล้วจึงมาเข้าเฝ้าเฉพาะเงินเท่านั้นมี8ดล้าน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 มหาบพิ ษ, ข, ษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นอสัตว์ปุรุษได้โพคะมากมายแล้วไม่ทำตนให้มีความสุขสาราญไม่ทำมารดาและบิดาให้ได้รับความสุขสาราญไม่ทำบุตรและพัญยาให้ได้รับความสุขสาราญไม่ทำทาตและกรรมกรให้ได้รับความสุขสาราญไม่ทำมิตรและอมาต ให้ได้รับความสุขสำราญไม่ตั้งทักษิณาอันมีผลในเบื้องบนมีผลอันดีมีวิบากเป็นสุขและเป็นไปเพื่อสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโภคเหล่านั้นของเขาที่มิได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้พระราชาทั้งหลายริบไปบ้างโจรทั้งหลายปล้นไปบ้างไฟไหม้บ้างน้ำพัดไปบ้าง ทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักนำไปบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้โพคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบย่อมเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยมหาประพิธในถิ่นอมนุษย์มีสระบกกรณีซึ่งมีน้ำใสเย็นจืดสนิทใสสะอาดมีท่าน้ำดีน่ารื่นรมน้ำนั้นคนไม่ตักเอาไปไม่ดด่มไม่อาบ หรือไม่ทำตามที่ต้องการเมื่อเป็นเช่นนี้น้ำที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบนั้นพึงเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยแม้ฉันใดมหาพิฏอสัตว์บุรุษได้โภคะมากมายแล้วไม่ทำตนให้ได้รับความสุขสำราญและถึงเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบย่อมเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอย ฉันนั้นเหมือนกันมหาปพิธส่วนสัตว์ปุรุษได้โภคะมากมายแล้วทำตนให้ได้รับความสุขสาราญทำมารดาและบิดาให้ได้รับความสุขสำราญทำบุตรและพัรยาให้ได้รับความสุขสำราญทำทาตและกรรมกรให้ได้รับความสุขสำราญทำมิตรและอามาตย์ให้ได้รับความสุขสาราญ ตั้งทักษิณาอันมีผลในเบื้องบนมีผลอันดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโพคะเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายก็ริบไปไม่ได้โจรทั้งหลายก็ปล้นเอาไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำก็พัดไปไม่ได้ทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักก็นาไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้โพคาเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยอยู่โดยชอบย่อมมีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่ามหาบพิตรในที่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านหรือนิคมมีสระโบกขรณีซึ่งมีน้ำใสยเย็นจือสนิทใสสะอาดมีท่าน้ำดีน่ารื่นรมน้ำนั้นคนตักไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทําตามที่ต้องการบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้น้ําที่ใช้สอยอยู่โดยชอบนั้นชื่อว่ามีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่าแม้ฉันใดมหาปพิษสัตว์ปรุษได้โภคะมากมายแล้วทําตนให้ได้รับความสุขสําราญละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยอยู่โดยชอบย่อมมีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่าฉันนั้นเหมือนกัน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 ทุติยะอปุตตะสูตรว่าด้วยซัทย์ที่ไม่มีบุตรสูตรที่สองครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยางวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาปพิตพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยางวัน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 เรื่องเคยมีมาแล้วขหะพดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้สั่งให้จัดเตรียมบินทบาทถวายพระปจเจกสมพุทธเจ้าพระนามว่าตัคระสิกีว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารบินทบาทแก่สมณะแล้วลุกจากอาสนะเดินจากไปภายหลังได้มีความเสียดายว่าอาหารบินทบาทนี้ให้ท่าศหรือกรรมกรบริโภคยังดีกว่า นอกจากนี้เขายังปลิดชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเหตุอีกด้วยมหาปพิธด้วยผลของกรรมที่ฆ่าบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นสั่งให้จัดเตรียมอาหารบินทบาทถวายพระปัจเจขสัมพุทธเจ้าพระนามว่าตาคารสิกขีเขาจึงบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เจ็ดครั้งด้วยเศษผลของกรรมนั้นเหมือนกัน ได้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้แหละถึงเจครั้งมหาอภิพิษด้วยผลของกรรมที่ฆ่าบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถวายอาหารบินทบาทแล้วภายหลังได้มีความเสียดายว่าอาหารบินทบาทนี้ให้ทาศหรือกรรมกรบริโภคอย่างดีกว่าเขาจึงไม่คิดอยากบริโภคอาหารอันมากมายไม่คิดอยากใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มอันมากมาย ไม่คิดอยากใช้ยานพานะอย่างโออาไม่คิดอยากบริโภคการมาคุณห้าที่ดีดีมหาบพิษอันหนึ่งด้วยผลของกรรมที่ฆ่าบดีผู้เศรษฐีนั้นปรจิดชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเหตุเขาจึงถูกไฟเผาอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีด้วยเศษผลของกรรมนั้นเหมือนกัน ทรัพสมบัติที่ไม่มีบุตรรับเอาจึงถูกขนเข้าคลังหลวงนี้เป็นครั้งที่เจ็ดมหาบาพิตก็บุญเก่าของข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สะสมไวในวันนี้ข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถูกไฟเผาอยู่ในมหาโรรุวะนรกพระเจ้าประสิทิโกศทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าหบดีผู้เป็นเศรษฐีบังเกิดในมหารรุวะนรกอย่างนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่างนั้นมหาปิพิธข้าหบดีผู้เป็นเศรษฐีบังเกิดในมหารรุวะนรกแล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเข้าเปลือกั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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัตตะชดินละสูตร 2. ปัญจราชสูตร 3. โทนปากสูตร 4. ปฐมมสังขามสูตร 5. ทุติยะสังขามสูตร 6. ทีตุสูตร 7. ปฐมมัปมาทสูตร 8. ทุติยะอปมาทสูตร 9. ปทมมาอปุตตะสูตร 10. ทุติยอปุตตะสูตร 3. ตติยวักหมวดที่3 1. ปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลสี่ประเภท เรื่องเกิดขึ้นที่ครองสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าเะเสนทิโกสนได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าเะเสนทิโกสนผู้ประทับนั่งณที่สมควรดังนี้ว่ามหาบาพิตรบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้มืดมาและมืดไปสองบุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป 3. บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไป 4. บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไป บุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทารตระกูลช่งางศาลตระกูลนายพรานตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนเทขยะเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืกเครืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องลุ่งห่มได้ยาก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 หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนบุรุษขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังหรือขึ้นจากบัรลังสู่หลังมา้าหรือขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือขึ้นจากคอช้างสู่ประสาทแม้ฉันใดมหาปพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป เป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัติยะมหาศาลตระกูลพรามณ์มหาศาล หรือตระกูลข้าบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พัก และเครื่องประทีบแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกอุปมาเหมือนบุรุษลงจากประสาสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังมา้าหรือลงจากหลังม้าสู่บันลังหรือลงจากบันลังสู่พื้นดินหรือลงจากพื้นดินเข้าสู่ที่มืด แม่ฉันใดมหาปพิธตาถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นอย่างนี้แล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 และเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพันุ์ผุดพองยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบและเขาก็ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนบุรุษ ก้าวไปด้วยดีจากบันลังสู่บันลังหรือก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้าหรือก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาสแม้ฉันใดมหาบพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้แหลมหาบพิษ บุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคผู้สุคสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามหาบพิต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 ไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิษผู้เป็นใหญ่ขวาปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงไตรที่พยาสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแต่สว่างไปมหาบพิษบุรุษมั่งมีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นคนตรนีเหนียวแน่นมีความดรฤชั่วเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่มีความเอื้อเฟื้อด่าบริพาสมณนะหรือพราหมณ์หรือวันิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักโกรธย่อมห้ามคนที่กาลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กาลังขอมหาบพิษผู้เป็นใหญ่ขวปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและมืดไป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 ย่อมเข้าถึงไตรที่พยสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและสว่างไปปุคละสูตรที่หนึ่งจบ